พวกเราทุกท่านทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองทบทวนถึงหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ที่พวกเรารู้จัก อันนั้นจะเป็นหลักจิตหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราตกไปในที่ชั่วหรือเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์ให้เกิดขึ้น <c oughs> หน้าที่ของชาวพทุทธนักบวชจนถึงอุบาสกอุบาสิกามีศีลเป็นหลักจิตหลักใจอุบาสกอุบาสิกามีศีลห้าเป็นหลักจิตหลักใจ หน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาคือเป็นผู้มีสินหะฉะนั้นการทบทวนทุกวันทุกวันทุกวันหรือการทบทวนในการแสดงออกในความประพฤต ศีลห้าทุกท่านทุกคนก็รู้แล้วว่าเวนจากอะไรห้ามอะไรต้องถือลักษณะของศีลห้าที่ท่านให้เวนสิ่งที่ท่านสั่งห้ามอันนั้นเป็นหลักจิตหลักใจ ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วหน้าที่ของชาวพุทธยังไม่สมบูรณ์แบบและก็ น, น่าเป็นห่วงว่าสิ่งที่คุ้มครองป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนสิ่งที่คุ้มครองป้องกันไม่ให้ตนตกไปในที่ชั่วไม่ทราบว่าจะ ไปฝากไว้กับอะไรมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนในเหตุในผลปัญหาเกิดขึ้นทุกวันนี้ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่น้อยไปถึงมาก ทุกเพศทุกวัยทุกสถาบันทุกชาติชั้นวันนะถ้าพวกเราชาวพุทธศึกษาว่าหน้าที่ของชาวพุทธลูกของชาวพุทธตั้งแต่เหลนหลานขึ้นมารู้จักภาวะเดียงสาแล้วสอนสอนสอนสอนสอ น, สอนให้เข้าใจหน้าที่งดเวน ตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสอนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท่ามกลางของสังคมและสถาบันจะน้อยที่สุดจะไม่มีเสเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะปลอดภัยถึงร้อยปรเซนต์แต่แล้วสิ่งที่จะบรรเทาเบาบาง จนจนให้เกิดความสงบอบอุ่นนันมันไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากศีลธรรมในโลบวนนี้นะหรือจะพูดให้เข้าใจว่าหน้าที่ของพวกเราคือศีล น, นี่แหละเป็นเครื่องวัดความผิดความถูก เป็นเครื่องวัดความดีความชั่วในตนและสังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมโลกให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนึกถึงสินห้าที่เป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วไปวัดดูเจ้าแม้แต่บ้านเราเมืองเรา สินที่เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันปัญหาสินที่เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันความชั่วตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าชาวพุทธพ่อแม่ที่เป็นชาวพุทธปู่ย่าตายายที่เป็นชาวพุทธลุงป้าหน้าอาที่เป็นชาวพุทธลูกเต่าเหลนรานที่เป็นชาวพุทธแม่ราชการงานเมืองพ่อค้าประชาชนที่เป็นชาวพุทธ เราเอาศีลห้านี้ไปเป็นเครื่องวัดความประพฤติดูเจ้าศีลของชาวพุทธที่จะยังเหลือจีอ้อเราจะเห็นได้ชัดได้ชัดเลยเออนี่มีหน้ามันจึงมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเพราะชาวพุทธมีแต่ชื่อ ชาวพุทธมีอยู่ในเฉพาะทะเบียนบ้านแต่ความเป็นพุทธที่ถูกต้องนั้นล่ะต้องงดเว้นจากความชั่วต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองศึกษาหน้าที่ของตัวเองป้องกันความชั่วไม่เกิดป้องกันสิ่งที่ มันเป็นปัญหาไม่เกิดด้วยวิธีการงดเว้นงดเว้นงดเว้นแต่ละอย่างแต่และข้อแต่ละข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าแต่ละข้อเวรมานีให้พากันงดเว้นทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนอย่างนั้นกับเพราะแต่ละอย่างแต่ละข้อนั้นมันเป็นต้นเหตุนํา ม, มาซึ่งโทอดถึงทุกข์ เป็นต้นเหตุนําให้เกิดซึ่งปัญหามันไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะมันเป็นโทษโทษนี่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ตนท้นต้นเหตุแห่งปัญหาตตนปัญหาน้อยมากมาจากไหนมันมาจากโด ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเลือล้อนพ้นประมาณแล้วบุญกุศลวาตนาบาละมีเพราะว่าพวกเราไม่ได้มาวิเคราะห์คนคิดเองว่าเออนี่โทษมันคืออะไรอะไรบ้างที่มาก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดทุกข์เกิดกรรมเกิดเวรเนี่ยพวกเราไม่ได้คนคิดพระพุทธเจ้าสอนไว่ก่อนแล้ว วางไว้สมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วในสิ่งที่เป็นโทษนํานไม่เกิดทุกข์มีแต่เรียนรู้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นํามาใช้เลยนํามาเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองเลยนํามาเป็นเครื่องป้องกันความชั่วไม่เกิดกับตัวเองนําป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองไม่ใปรปหาความชั่ว ไม่เกิดควมชวั่วปลอดภัยที่สุดแน่นอนที่สุดถ้าพวกเราเข้าใจรู้จักหน้าที่พวกเราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสง โดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ที่พวกเราเทิดทูนเคารพเร า, าเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันนี่ที่พวกเร า, าเคารพเทิดทูนอยู่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกอง ท่านเช็มวดกวดขันในหน้าที่ในหน้าที่ของท่านคือสินนี้จะไม่ด่างพ่อยเลยท่านมีสินมากน้อยเท่าไหร่ไม่ด่างพ่อยเช็มวดกวดขันเพราะท่านเอาสินนั้นไปนเครื่องป้องกันความชั่วไม่เกิดขึ้นป้องกันท่านไม่ตกไปในที่ชั่ว ไม่ให้เป็นพระที่ชั่วไม่ให้เป็นหมู่เป็นคณะที่ชั่วความชั่วนำมาซึ่งเป็นบาปเป็นอกุศลความชั่วนำมาซึ่งปัญหาต่างๆน้อยมากฉะนั้นพวกเราควรจะตระหนักว่า ปฏิปทาข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพปูชาเทิดทูนอยู่ยุคนี้สมัยนี้ก็แบบเดียวยุคอดีตที่ผ่านมาครั้งพุทธกาลพระสงฆ์พระอาเรียสงฆ์ครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติอย่างไงมีอะไรเป็นหลักพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นหลัก การสอนศีลในเบื้องตน้นท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาสมบูรณ์แบบฉะนั้นหลักข้อปฏิบัติป้องกันความชั่วท่านจึงมีความเชื่อยึดมั่นหนักแน่นใน ความประพฤติของท่านชีวิตความเป็นอยู่เอาศินนี่เป็นหลักป้องกันเป็นหลักจิตหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความเชื่อมั่นหนักแน่นว่าถ้าอยู่ในระบบของสิงนนี่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญฝ่ายเดียวทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้า ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรจะเข้าใจในลักษณะนี้ถ้าเข้าใจในลักษณะนี้ต่างท่านต่างคนต่างปฏิบัติงดเว้นจากความชั่วงดเว้นจากความชั่วความชั่วไม่มีในความนึกคิดความชั่วไม่มีในความประพฤติใครเล้วจะไม่ สรรเสริญใครแล้วจะไม่มีความรักความเมตตามีความรักความเคารพผลก็คือเกิดความสงบอบอุ่นนี่หน้าที่ของพวกเราแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นยึดมั่นในหน้าที่อันดับแรก ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธควรจะยึดหลักอันนี้ไว้เห <c oughs> ็นคุณค่าแล้วสอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องลุงป้าน้าอาช่วยเป็นหูเป็นตาให้เป็นประโยชน์สมกับว่าเพื่อนมนุษย์เกิดเจเจ็บตายอยู่ด้วยกันพึ่งพึ่งพาอาศัายกันนี่ระบบของศีลธรรม เป็นพื้นฐานระดับแรกศรีมีสามระดับระดับที่ว่านั้นเป็นระดับส่วนหยาบที่ขาบทแต่และที่ขาบทเป็นระดับส่วนหยาบส่วนกลางที่นี่มันถึงใจ เกี่ยวข้องกิริยามรรยาททางใจส่วนกลางส่วนละเอียดนั่นนะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกิริยามรรยาทของใจหรืออารมณ์ของจิตใจอารมณ์ของจิตใจของเรา ที่มันเนิบมันเค็ดมันปรุงเป็นมันแต่งเป็นสัญญาอารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์ทางจิตใจนั่นน่ะถ้ามันเจ็บอารมณ์ที่มันมีเรื่องมีปัญหาเรียกว่าอารมณ์เรื่องไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาทางจิตใจ พระพุทธเจ้าสอนให้สังบอลสังรวมระหว่างทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกอารมณ์ประเภทนั้นเกิดจากอะไรเกิดจาการ ก, รา ก, จาการกระทําของเราเกิดจากการกระทําของบุคคลไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้ฟังไปพูดไปจาไปนึกไปคิด ถ้าสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภยัยทำแล้วกลายเป็นอารมณ์คือปัญหามันถึงจิตถึงใจภายในดวงจิตดวงใจมันมีปัญหาเจ น, นท่านจึงให้สังวรระวังตามการตามเวลา ตามหน้าที่ของพวกเราตามฐานะของพวกเราคาวาสยาโยมเป็นอุบาศกอุบาศิกามันก็ไม่มากมายอะไรไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยอารมณ์ที่กำเนิบเสร่สารขึ้นให้เกิดความ เสื่อมเสียทางอารมณ์ความนึกคิดทางอารมณ์ส่วนมากก็เด่นชัดเรื่องกามตันหาภวะตันหากามตันหาภาษาเราก็คืออารมณ์เพศให้สังรวมระวังอยู่ในขอบเขตหรือไม่ ขอบเขตเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดกสิขาบทข้อที่สามมาเป็นเครื่องวัดถ้าอยู่ในขอบเขตเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามข้อที่สี่ข้อที่ห้าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราละมัดระวังขนาดไหนเจียวแจก็สิ่งแวดลอ้อม พอแต่และเรื่องแต่และอย่างมันเกิดขึ้นจากใจใจมีอะไรเป็นต้นเหตุมันจึงเกิดประเภทนี้สามัญชนปุตุชนทุกท่านทุกคนที่ได้ชื่อว่าสามัญชนหรือปุตุชนนี่คือมีความโลภความโกรธความหลงที่หลักธรรมะทันวากิเลศและอีกส่วนหนึ่ง ตัณหาตัณหานี่ท่านแยกไว้เป็นสองประเภทตัณหาคือความอยากความต้องการความใคร่ความยินดีถ้าอยากต้องการใคร่ยินดีในทางที่ถูกมีขอบมีเฉตมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม เหมือนอย่างพวกเราเราท่า น, นท่นต้องการอยากมา ป, ปฏิบัติจริงปฏิบัติธรรมนี่เป็นความอยากในทางที่ถูกชีวิตความเป็นอยู่ของบุกคลที่ปราศจากความอยากไม่มีในโลกถ้ายังมีชีวิตอยู่มันต้องการไม่มีความต้องการมีความอยากทั้งนั้นแต่ที่นี่ความอยากนี่ให้แยกเป็นสองประเภท อยากในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกเป็นประโยชน์ปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่มีปัญหาอันนี้พระพุทธเจ้ามาันห้ามถ้าอยากในทางที่ผิดนี่เนี่ยอันนั้นตัางหากที่พระพุทธเจ้าห้าม พอตันหาความอยากนี่มันมันจะมาประสานกับกิเลสามะตันหาอารมณ์เพศมาประสานกับกิเลสโลภะโมหะโทสะถ้ามาประสานกับกิเลสดีลืมตนลืมตัวดึกไม่ได้ ถ้าการใดเวลาใดมันมาประสานกับกิเลสโลภะโทสะโมหะนี่ให้เราทบทวนเอาศินของเรามาเป็นเครื่องวัดถ้าเอาศินมาเป็นเครื่องวัดรู้ทันทีว่าเออนี่มันผิดข้อห้ามาเป็นเครื่องวัดข้อสี่มาเป็นเครื่องวัดข้อสามมาเป็นเครื่องวัด ข้อสองข้อหนึ่งมาเป็นเครื่องบัดตัญหาความอยากนั่นน่ะถ้ามันมาผสานกับความโลำความโกรธความหลงแล้วจะเป็นตัญหาประเภทกาบมะตัญหาอารมปรเพศก็ดีหรือภาวะตัญหาอยากได้คดีบาอย่างมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมียศศักดิ์ศรีความดีแต่แล้วตัญหาประเภทนั้น ความอยากประเภทนั้นเราเอาสินมาเป็นเครื่องบัตรรู้ได้ทันทีว่าเออนี่ความอยากนี่มันผิดเวละมณีพระพุทธเจ้าสอนในพวกเราละ เ, เว้นนี่ระดับกลางสินระดับกลางระดับล <c oughs> ะเอยียดถึงใจ ศีลท่านสอนถึงจิริยาหรือลักษณะที่เนี่ยระดับถึงใจโดยเฉพาะศีลคือความปกติกายปกติใจศีลคือความเรียบร้อยเมื่อท่านพูดถึงเรื่องของใจอย่างนี้ เราจะได้มาวัดแล้วสิเนี่ยมาศึกษาว่าสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดเรื่องของใจเราจะตั้งใจไว้ยังไงเอาไว้ยังไงสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนระบบของใจการตั้งใจการรักษาใจเอาไว้ ให้อยู่ในลักษณะนี้นี้นี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือศีลคือความปกติใจความปกติดีของใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ศีลคือความเรียบร้อยใจมันมีความรู้สึกในจิริยาลักษณะความเรียบร้อยดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เกิดขึ้นเองในลักษณะนี่เป็นเองไหมไม่เป็นต้องฝึกสิ่งที่มันเป็นเองมีเองอันนั้นคือกิริยาลักษณะของฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหาเพราะมันเป็นทางใจอันนั้นนะ ฉะนั้นเมื่อกิริยาของกิเลสตัณหาเป็นทางใจอย่างอารมณ์โกรจิตโมโหโทโสขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทางไหนก่อนมันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็ใจอุปกรณ์ของใจก็คือสมบัติกิริยามารยาทหน้าตาคำพูดความประพฤต ฉะนั้นสิ่งที่มันใจมันมีสิ่งที่เกิดในใจมันมีสมบูรณ์บริบูรณ์คือความโลภของความเป็นกิเลสความโกรธความเป็นกิเลสความหลงความเป็นกิเลสราคาตัญหาเพรา ะ, ะตันหาความเป็นตันหาแต่แล้วจิริยังกิริยาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นน่ะมันเป็นคนเรื่องกับลักษณะของสินของธรรม ศีนคือความเรียบร้อยไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาก็หมายถึงใจเออใจเรียบร้อยดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจปกติดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ น, น, น, น, นี่คำว่าคาคำว่าปกติดีเรียบร้อยดีนี่เป็นระบบของจิตใจที่ถูกต้องเราวางใจทำใจรักษาใจเอาไว้ใน เป็นระบบที่ถูกหรือเป็นลักษณะที่ถูกเป็นระบบที่ดีหรือลักษณะที่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะมาฝึกทีเนี่ยเหมือนอย่างที่พวกเรามานี่แหละให้ทบทวนมาฝึกศีลคือความปกติดีความดีของใจใจมีความปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใจไม่ปกติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีความวุ่นวายฟุง้งซ่านลำคันกี่ปราร์ะร้อยแปดพันเรื่องเมื่อไม่ปกติขาดความปกติแล้วก็ขาดความเรียบร้อยขาดความเรียบร้อยมันก็ขาดความงามความงามของใจความเรียบร้อยของใจใจดีใจงามภาษาชาวโลกเขา จึงมีอยู่ว่ารอยยิ้มประดับใจลอยยิ้มประทับใจใจที่มีลอยยิ้มประดับใจที่มีลอยยิ้มประทับจิตใจที่มีลอยยิ้มประดับนั้นก็เพราะจิตใจมันปกติดีจิตใจมีความเรียบร้อยดี เกียรติใจยังมีความดีความดีส่วนนี้จึงเป็นลักษณะที่แสดงซีจะแสดงออกในความเป็นธรรมธรรมคือความงามศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยนี่เป็นต้นเหตุของความงามความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงาม ความงามนันเป็นธรรมนี้เรากำลังพูดเรื่องเน้นหนักความเป็นสมบัติคุณค่าของจิตใจจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่มีความเป็นสมบัติตองกันข้ามจิตใจมีความวิบัติจิตใจหมดคุณค่า ทุกท่านทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เป็นผู้บีจิตมีใจและจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนถ้ายังเป็นสามัญชนเป็นเป็นปุตุชนย่อมมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระสงฆ์องค์เหน่งจะไม่เลือกเฟ้นว่าดวงจิต ด, ดวงใจของใครจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงราคะตันหา เว้นไว้แต่พระอริยเจ้าที่ท่านปฏิบัติตามแนวทางของสินสมาธิปัญญาชำละจิเลสตันหาที่บีอยู่เบาบางออกเบาบางออกจากดวงจิตดวงใจของท่านซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติอันนั้นยกเว้นยกไว้ ที่ย้ำเรื่องนี้คือให้เรารู้จักความหมายคำว่าสินธรรมมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรจำเป็นอย่างไรที่พวกเราชาวพุทธหรือว่าชาวโลกที่จะหันหน้าเข้ามาศึกษาระบบสินธรรมและมาปฏิบัติสินธรรมมีความจำเป็นอย่างไง พระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นศาสดาเอกของโลกยุคนี้สมัยนี้หรือพัฒกับนี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นศาสดาเอกของโลก <c oughs> อยู่เดี๋นี้ที่พวกเรายังสืบทอดคำสอนของพระองค์ท่าน หรือพระองค์ก่อนๆอนานกายกไว้แต่พระองค์ปัจจุบันนี้ที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสตรดายเอกของโลกล่วงมาถึงถึง 2,500 กวาปีแต่คำสอนของพงค์ท่านถึงจะล่วงเลยมานานขนาดนี้ยังสมบูรณ์อยู่ ศีลดังสมบูรณ์ทำยังสมบูรณ์ศีลห้ายังสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไปที่ไหนศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดยังสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไปที่ไหนศีลทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่ออะไรเนี่ย ถ้าจะรูปเปียบทางนอกรูปเปียบทางนอกถ้ารูปเปียบว่าศิลธรรมเปียบมันแสงสว่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกอันนี้มนุษย์เราที่จะต้องการแสงสว่าง ฉะนั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงขอุติเสวไวเพียงแก่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอน